Book 2 6หกสิบห้าการปฏิเสธสอง nektelse 2แหวนวงนี้แพงไหมคะอาเดนริงนดีรไม่ค่ะ แหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโรนย่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านแต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะแันมีแค่ห้าสิบเานแลห้าใช่ไค่คหิทา่ม är du f ้ r d i g a l ่าม่ยังไม่ิเทค่ิคสร็จันค่ะินมี่ะ แต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะเมนยายสแตเสร็จคุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะวิ l ดูห์มีรซุปเปไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะไหนทักยายิลิจะหาเแต่ขอไอศกรีมอีกถ้วยค่ะยหมร์ไอ คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะ Har ไม่ค่ะเพิ่งเดือนเดียวไม่ค่ะเึ่งเดือนแต่ดีฉันรู้จักคนเยอะแล้วมรค่ดนจยะแวมนันรูกแต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้ว่ดฉ e. ันรู้จักคนเยอะแล้วแต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้วจคะัรจกะลับร้ันนรว่น้กน้่ไหมคะ่ะ ไม่ค่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์ไม่ไม่ใัแต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะแต่ Men e วันอาทิตย์ดฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะแต่ันนกมาแล้วล่ะค่ะแต่นอาทิตย์นกมาแล้วล่ค่ะแม่วันอาทิตย์มแล้ว่ค่ ะ, ok คะลู่ิดิฉันเะิม่งค่ะอาทยุดิฉันจะกลัา n e ่ h ธ n ม r b a นแ 17. แต่เธอมีแฟนแล้วนะ e แต่เธไปทล้วนะี่ w w w b o o k นแล้วนะแต่ีนังสื่อและดานวน์โหล้เอแลวะอร์ชนว่มนล่อมล่เลว่อมนมล